นี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของมารที่ได้กล่าวมาโดยลำดับนั้นจะเน้นไปที่ส่วนแห่งกิเล ส, สมารได้แก่มารคือกิเลสที่แสดงอาการต่อจิตของบุคคล ยาบัาง้งกลางบัง้งละเอียดบัง้งในชั้นยาบจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางกายทางวิจารให้ไกลเป็นกายทุจริตวิจิตรทุจริตในชั้นกลางนั้นจะทําปฏิกริยาต่อจิตสร้างความเร่าร้อนความไม่สงบให้เกิดขึ้นภายในจิตที่ท่านสรุปรวมว่า ได้แก่นิวรณ์ทั้งห้าประการแต่การใช้คำว่านิวรณนั้นพึงเข้าใจว่าเป็นการใช้โดยโวหารอย่างหนึ่งเพราะที่จริงอาการของกิเลส ท, ที่ปรากฏภายในจิตนั้นมีความหลากหลายออกมาในลักษณะต่างๆบางครั้งเราพบข้อความที่สงใช้คำว่ามูลทินเก้าบาง ใช้คำว่าอุปกิเลส16บ้างและว่าไปเรื่อยจนถึงกับกิเลส 1,500 ตันหนาร้แต่การจะมองรายละเอียดขนาดนั้นก็มองยากเพราะอาการของกิเลสที่จริงอาการของความเข้มข้นที่เกิดขึ้นภายในจิตในแต่ละขนะดทำให้ชื่อที่เรียกอาการเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป ทรานก็มาสรุปไว้เป็นนิวรณ์ทั้ง5ประการซึ่งอันที่จริงก็คือกิเลสประเภทโลโกรดโรลงนั่นเองกิเลสประเภที่เรียกว่าการมฉันท์นิวณ์เป็นอาการไขว่คว้าปรารถนาของจิตสึกนึกด้วยความใคร้ความปรารถนาความปอดใจยินดีในอารมณ์นั้นๆอาจจะเป็นเรื่องอดีตก็ได้ อาจจะเป็นเรื่องปัจจุบันก็ได้หรืออาจจะขวอยคว้าในเรื่องอนาคตก็ได้และความรู้สึกสายนี้เพื่สังเกตว่าแม้แต่การอยากให้จิตสงบก็ถือว่าเป็นอาการของการมันชันตราใดที่ยังมีความอยากให้เกิดความสงบอยู่ตรานั้นความสงบก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ในะันนี้จึงกลายเป็นมารที่ขัดขวางความสงบอย่างเห็นได้ชัดกิเลสประเภทพยาบาทก็คือกิเลสประเภทโทสะที่เนียวนึกตึกนึกถึงอารมณ์ในอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามด้วยความไม่พอใจไม่ยินดีต้องการให้เกิดความพิบัติแตกทำลายสูญหายจนถึงตายไปเป็ตนต้น เมื่อจิตตกอยู่ภายใต้อำนาจของความรู้สึกเหล่านี้ความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ปริมาณของความเร่าร้อนด้วยเปลืองของพยาบาทก็จะเพิ่มคูณขึ้นไปในจิตถ้ว่าตราใดที่ยังเป็นความคิดอยู่ตรานั้นต้องก็ถือว่าอยู่ในระดับของนิวรณ์กิเลสประเภทที่นัมบิทาคือว่งเงาหานนอนซึ่งซึมงอยเงานหดหูต่าง ก็เป็นอาการของโมหัแม้แต่ความพุ้งสั้นสัดสายไปของจิตตลอดตังความเครื่องแครงสงสัยก็เป็นอาการของโมหันแแตแต่การเหล่านั้นเองบางครั้งพุ่งมากจนถึงกระงุนหงิดรำคาญอาการเหล่านั้นก็เป็นอาการของโทสะสรุปแล้วว่าแม้กิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิต ทำจิตได้ดิ้นไปสายไปสูญเสียความส ง, งบก็มาจากโลกภะโทสะโมหะเหมือนกันเพียงแต่ว่าอยู่ระดับความคิดเท่านั้นเพนี้จึงเป็นมานคือขัดขวางตัดรอนไม่ให้จิตใจของบุคคลสัมผัสความส ง, งบได้ส่วนกิเลสประเภทที่ละเอียดก็ดูบางครั้งก็คล้ายๆจะไม่เป็นมานอะไร เพราะใดเพราะว่าเราก็มีความสงบมีความสุขมีความเยือกเย็นปรากฏอยู่ภายในจิตแต่เป็นความสุขระดับสมาธิอย่างสูงก็ระดับฌานกิเลสนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้หมดไปสิ้นไปจากจิตเพียงแต่สงบระงับลงไปคล้ายๆกับตะกรอนตกอยู่ใต้ก้นภาชนะมีน้ำใสยอยู่ข้างบนมากตะกรอนเหล่านั้นก็ขึ้นมาไม่ได้ น้ำกับบนก็สามารถดื่มบริโภคใช้สอยได้ตามปกติแต่ว่ากิเลสประเภทที่ละเอียดเหล่านี้ก็กลายเป็นมานที่จะทำให้บุคคลไม่สามารถหลุดพ้นจากสังสารทุกข์ได้ซึงการโดยเห็นกิเลสประเภทนี้จะต้องใช้ภูมิธรรมสติปัญญาอยู่สูง เพาะทจริงการปฏิบัติระดับสมาธิจนถึงระดับฌานนั้นก็มีอยู่ก่อนพระพุทธศาสนามีรักบวชนอกศาสนาหรือก่อนพุทธกาลได้ศึกษาและพิจารณากันมาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เข้าศึกษาในสำนักของอาลาราบุอรุต ก, กนาบุตรก็ทรงมาลูฌานเหมือนกันเทวอาจารย์ของพระพิทัตว์นั้นไม่เห็นกิเลสแล้วคือเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือนิพพานแล้ว แต่พระโพทิสัตว์ทรงเห็นว่าจ ร, จริงๆมันเป็นเรื่องความสงบไม่ใช่เรื่องของความดับแต่นั้นกิเลสประเภทนี้ท่านยังเรียกว่าอนุใสกิเลสบ้างสังโยชน์บ้างสงบอยู่ภายในใจจะต้องมีแรงข้างนอกมากระตุน้นมาเร่งร้าให้เกิดความรู้สึกเหล่านั้นกิเลสเหล่านั้นก็จะฟูขึ้น แตพพูดขึ้นแล้วเขาก็ไม่เรียกว่านิวรณ์เขาไม่เรียกว่าสังโยเ ข, เขาไม่เรียกว่าสังโยชน์รเรียกว่าอนุสัยแต่เขาก็เรียกว่านิวรณ์ในกล่าวนั่นก็คืออาการที่ต่อเนื่องของกิเลสพระเจ้าทรงสอนให้เห็นว่าเป็นมารด้วยกันทั้งนั้นแต่เป็นมารกันในแต่ระดับในการปฏิบัติบางครั้งจึงทรงสอนให้เห็นว่า พวกนี้บางทีก็กลายเป็นเครื่องมือในการเดินทางที่เดิายใช้คำนวนาภาษาบาลีว่าอาศัยตันหาละตันหาอาศัยโลภะก็ละโลภะหมายความว่าเราโลภในสิ่งหนึ่งคล้ายการศึกษาเราเรียนของเราตอนแรกๆ ก, ก, ก็โลภอยากได้ชั้นนั้นชั้นนี้มันก็เรียนไปเรื่อยระดับประม่ม เสร็จแล้วก็ต้องทิ้งระดับประถมก็อยากได้ชั้นมัธยมในช่วงที่เรียนมัธยมก็อยากได้เยอะก็เรียนไปเรื่อยๆพอจบมัธยมมันก็ต้องละมัธยมไปยึดติดอยู่ในความเป็นนักเรียนชั้นมัธยมไม่ได้มันต้องขึ้นต่อไปเรื่อยๆในช่วงของการศึกษาเราเรียนนั้นก็เหมือนกับ ก, การเดินทางที่เราจาเป็นจะต้องอาศัยพัจจัยยานภานะอยู่เรื่อยๆ แต่พอถึงจุดหมายปลายทางถ้าจะให้ถึงจริงๆก็ต้องทิ้งยานพาหนะบางครั้งยังอุปมาเหมือนกับบคุคคลอาศัยยานพาหนะอาศัยเรืออาศัยแพสมัยโบราณมันก็ดูง่ายถึงทสองอย่างคือทั้งเรือทั้งแพอาศัยข้ามฟากในช่วงที่จะต้องข้ามไปสู่อีกฝากหนึ่งนั้นเราก็ต้องอาศัยเขาแต่พอถึงฝั่งก็ต้องทิ้งเรือเหล่านั้นหรือแพเหล่านั้น จะเอาไปด้วยไม่ได้กิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราอาศัยตัณหาเพื่อจะละตัณหาในช่วงการปฏิบัติก็อาศัยไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็ต้องละเขาไปเรื่อยจะถึงจุดสูงสุดที่กิเลสไม่สามารถจะเป็นมานได้เพราะทำลายกิเลสได้ทั้งระดับหยาบกลางละเอียด พระพุทธมีพระภาคเจ้าที่ได้ชื่อว่าผู้ชนะมานทั้งห้าจึงมาอยู่ในจุดนี้พระหานทั้งหลายพระปฏิเจธพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ามาอยู่ในจุดนี้เดียวการปฏิบัติในทุกขั้นตอนทางพระพุทธศาสนาก็มุ่งการชัยชนะต่อกิเลสทั้งหลายในตอนตอน้ตนๆก็เอาให้ชนะกิเลสอย่างหยาบไปก่อน ก็ปฏิบัติระดับของศีลแล้วเมื่อมีใจิตใจมั่นคงมากพอแล้วก็ปฏิบัติสูงขึ้นไปเพื่อเอาชนะมารคือกิเลสมารระดับที่ว่านจะถึงระดับสูงสุดก็คือกิเลสประเภทที่นอนอยู่ภายในใจที่เรียกว่าอนุสัยพราะก็ปฏิบัติที่แสดงเอาไว้ก็คือศีลสมาธิปัญญาที่มุ่งแก้กิเลสในแต่ระดับ ซึ่งกิเลนั้นก็คงไม่อื่นไปจากโลกโปรดหลงหรือที่มาจากอวิชชานังกล่าวมารประการที่สองนั้นท่า น, นเรียกว่าขันธ์มารมารคือเบญจขันธ์ทั้งหลายคำเบญจขันธ์ก็คือชีวิตหรือแม้จะพูดถึงสปปรรพสิ่งที่จรงิจรงก็เป็นเบญจขันธ์คราวนี้ท่านสาธุชนท่านหลายอาจจะเกิดความสับสนว่า แล้วอริยสัจกับขันธ์หานั้นมีความเกี่ยวข้องกันยังไงที่จริงแล้วอริยสัจกับขันธ์ห้านั้นเป็นเดียวกันในทุกขสัจก็คือกลุ่มของขันธ์ห้าทั้งหมดขันธ์หาสีประการนะฮะคือรูปเบทนาสัญญาแล้วก็บิญญาณสมุทยัทยสัจก็คือสังขารที่เป็นอกุศล นิโรธาสัตว์ก็คือจิตที่ปราจจะจากสังขารที่เป็นอกุศลมกักษัตริย์ก็คือสังขารที่เป็นกุศลเพราะเราอาจจะพูดว่าอริยสัตร์หรือจะพูดว่าการห้าก็ได้เพราะจริงแล้วเป็นการแสดงโรงเวิหารเดียวกันที่ ส, สรุปอีกทีหนึ่งเป็นนามรูปตั้งที่เคยเจอองค์ธรรมเหล่านี้อยู่เสมอ การหนั้นเป็นมาในหลายระดับด้วยกันโดยภาพรวมก็คือชีวิตชีวิตที่ผจนมานคือระจญอุปสรรคอันตรายในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นประจําวันก็เรียกว่านิพพัตตะนาทุกข์คือทุกข์ตลอดระยะเวลาทุกหนึ่งนิจเราจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เรื่อยไป รานนี้ท่านแสดงไว้สิบข้อด้วยกันได้แก่หนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนและแก่เจ็บตายถ้า1ิบประการนี้ตั้งแต่เกิดมาเราก็เจอเขาตลอดทุกวันเราแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่ทุกวันหรือยิ่งหรือหยอดนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง ในส่วนใดในช่วงใดที่อากาศร้อนลงมีปัญหาเรื่องร้อนมากกว่าปัญหาเรื่องหนาวในประเทศที่หนาวก็มีปัญหาเรื่องหนาวมากกว่าเรื่องร้อนแต่ความหิวความกระหายนั้นเป็นเรื่องปกติบุคคลทำได้แค่บรรเทาแต่นั้นเองคือไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เด็ดขาดปวดรุจราปวประสาะก็มีลักษณะเช่นนั้นก็ทาได้แค่บรรเทาเราก็ต้องบรรเทากันทุกวัน คือเราจะเห็นว่าเวลาที่ใช้ไปในการรับประทานอาหารในการแก้ปัญหารเรื่องอาหารเพรียงอย่างเดียวได้เคยมีคนเขาสรุปคํานวณเอาไว้ว่าบุคคลนั้ใช้เวลาของชีวิตไปตั้งเจปีสมมุติาอายุประมาณ75ปีไปใช้เวลาไปเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับอาหารอย่างเดียวทั้งเจปีเฉพาะรับประทานไม่ใช่แสวงอาหาร แล้วการง่วงนอนก็เหมือนกันคือตัดรอนผลงานต่างๆที่เราจะต้องจัดจะต้องทำจะมอ่านหนังสือทั้งง่วงนอนมันก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างฟังคํา บ, บรรยายธรรมะทั้งง่วงนอนมันก็ข้อความต่างๆที่ฟังนั้นจะไม่จิตต่อหรือปฏิบัติสมาธิทั้งง่วงนอนก็จบกัน ก็อาจจะงูนอนแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็ฝันไปเลยแล้วอาจจะปรุงไปว่าเป็นผลจากการปฏิบัติสมาธิเป็นต้นยิ่งแก่เจ็บตายนั้นเป็นปัญหาใหญ่เราแก้ปัญหากันแต่ละอย่างที่เกียเกียแก่เกีก็เจ็บเกียก็ตายเป็นปัญหาที่ถาวรเราต้องแก้กันตัวนี้เลย แสดงเป็นภาพรวมๆที่เราเจอปัญหากับเรื่องเหล่านี้ตลอดมันก็เป็นมานเป็นขันธ์มานนอกจากนั้นเมื่อเราแยกตัวขันออกไปแต่ละขันก็จะเห็นความทุกข์ที่ชัดเจนปรากฏขึ้นในขันเหล่านั้นเช่นส่วนของรูปขันต์ซึ่งมีโรคภยคัยไข้เจ็บเสียดแทงด้วยประการต่างๆ หรือแม้อายะบทที่ไม่สม่ำเสมอเช่นนั่งท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปก็เกิดทุกขเวทนาหรือแม้จะอยู่ในยาบทอื่นคือยืนเดินนอนก็ทมากเกินไปก็ประสบทุกขเวทนาร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่เราพูดกันไม่รู้เรื่องแม้จะพยายามปลนปลื้มบำรุงบำรเรด้วยประการต่างๆยังไงก็ตาม เราก็จริงแล้วแกไปตามเหตุปัจจัยของแกราไม่สามารถจะห้ามปรามขอร้องอ้อนวอนค่มคูหรือว่าแก้ไขด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้เพราะความพิปริตแรปรปลวนของส่วนรูปประคันสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นนานาประการในชีวิตของบุคคลและแต่ละวันถ้าเราลองสังเกตว่าเราเสียเวลาบริหารร่างกายเนี่ย ตังแต่อาบน้ำแปลงฟันอะไรๆมาเรื่อยๆเราสูญเสียเวลาไปมากเกินกับเรื่องร่างกายตอนนี้บางทีท่านเรียกว่าทุกขขันคือกองของทุกข์และในขณะเดียวกันเขาก็เป็นที่ประชุมของโรคเป็นรังของโรคสารพัดโรคแต่ว่าจริงเ้าก็เปื่อยหน้าปูพังแตกสลายไปตามกาล แต่เราก็ต้องอาศัยเขาต้องบริหารเขาเพื่อจะใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการประกอบกระทำความดีทั้งหลายประการต่อไปคือส่วนของเวทนาเวทนาก็คือการสวยอารมณ์ในช่วงแรกๆหรือพวก ง, ง่ายๆก็คือส่วนที่เป็นทุกขเวทนาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากภายในก็ได้เกิดขึ้นจากภายนอกก็ได้ ประสบทุกเวทนาทางกายบ้างทางใจบ้างแต่ตามปกติแล้วสามัญชนทั่วไปผมก็แยกแยะไปก็ออกพอ ป, ปวดที่กายก็ไม่สบายที่ใจเก็บที่ใจก็เดือดร้อนที่กายคือมันจะต่อกันสมัอคนทั้งหลายแต่เราสังเกตว่าในเรื่องนี้ถ้าหากว่าจิต ใ, ใจเรามีความเข้มแข็งมากพอ เราก็สามารถแยกระหว่างเวทนาที่เกิดที่กายออกไปจากจิตได้คือจิตไม่ไปเกี่ยวเกาะกับเวทนาเหล่านั้นด้วยอะไรด้วยการที่ใจไปใส่ใจในเรื่องอื่นเช่นสมมติว่านั่งสมาธิเราส่วนนั่งสมาธิเราก็เกิดทุกขเวทนาปวดเมื่อยจนถึงก็นเนบชาหมดทั้งครึ่งตัวนั่นก็เป็นธรรมดา ถ้านในขณะนั้นจิตเราเป็นสมาธิอยู่ได้จิตจะไม่สนใจอยู่ที่กายแต่จะอยู่กับสมาธิที่เรียกว่าเป็นเอกกตาคือจิตจะสงบเป็นหนึ่งไม่อยกจิตออกจากกายได้กายก็สเสวยเฉพาะเวทนาไปตามเหตุตามปัจจัยของแกแล้วก็เป็นเงื่อนไขของแกพอถึงจุดหนึ่งนี่เขาจะเปลี่ยนพอร์ตลงให้เราสังเกตเรานั่งปวดเต็มที่ปวดจน จนเรียกว่าชาไปหมดทั้งตัวก็นั่งไปเรื่อยๆไม่ต้องไปพริกมันประเดจุดหนึ่งมันหายเองมันลักษณะคล้ายๆกับเรายิงของขึ้นไปบนอากาศมันก็ไปเต็มแรงดันของการยิงแต่ในสุก็ต้องตกลงมาเบต น, นาเองก็มีลักษณะอย่นกันแต่ว่า ใจิตใจของบุคคลไม่สามารถจะรู้เท่าทันขนาดนั้นไม่สามารถที่จะปรับใจยอมรับหรือว่าปล่อยให้เป็นเรื่องเวทนาไปใจิตใจของบุคคลก็เดือดร้อนเพราะเวทนาทั้งทงในในแง่ของความจริงแล้วเวทนานั้นก็คือเวทนาเราจะเดือดร้อนมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ แต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้คล้า ย, ายๆกับเราเจ็บไข้ได้ป่วยประสบทุกขเวทนาต่างๆคือถ้าดึงจิตออกมาจากการเจ็บปวดรวดร้าวต่างๆได้หรือดึงมาไม่ได้ก็ดูเวทนามาได้เลยดูที่ความทุกข์ซึ่งปรากฏอาการปวดอาการเสียแทงต่างๆที่ปรากฏในขณะนั้นที่เรียกว่าเวทนานุกสัสฒนาสติปัฏฐานก็ดูเวทนาได้เลย หรือแทนที่จะให้แกรสร้างปัญหาเราก็ใช้แกเป็นประโยชน์ก็มีบุคคลเป็นนั้นมากที่เจ็บจวนจะตายไม่ตายแหลแต่อาศัยปัญญาปินิพิจารตวเวทนาเหล่านั้นก็สามารถบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมได้ถ่ายถอนตันหามานาทิฏฐิออกไปจากเวทนาได้ ในตัวสัญญาในหยาบๆตัวทั่วไปก็คือความจําที่เลอะเลือนเผลอหลงลืมครั้งพลาดไปจำแล้วก็ลืมบางทีลืมมามากๆบางทีลืมน้อยหน่อยเพราะมันจะเกิดเป็นอุปสรรคขึ้นมาทันทีจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสัญญาเช่นสมมติต้องการจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งมันเกิดลืมอาการเป็นมานของสัญญาก็ปรากฏชัดขึ้นมาในขณะนั้นนั้น บางครัการลืมเพียงครั้งเดียวก็อาจจะสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็ต้องตามแก้ปัญหาเหล่านั้นกันเป็นเวลานานก็นได้ผลสัญญาจึงกลายเป็นมานที่มองระดับหยาบๆไปก่อนทีนี้ตัวสังขารนั้นที่เป็นมานระดับหยาบก็คือสังขารที่เป็นกิเลสคือสังขารในขันหานั้นเป็นเรื่องของธรรมะ ไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้นไม่อยู่ที่รูปแล้ววันตัวสังขารจริงๆจึงกลายเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นความรักก็เป็นสังขารความโกรธก็เป็นสังขารเมตตาก็เป็นสังขารปัญญาก็เป็นสังขารฤติยาก็เป็นสังขารหมายความว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตในขณะนั้นๆท่านเรียกสำนวนบาลีเหนึ่งว่าเจตสิกธรรม คือธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตเกิดพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตแล้วก็ดับไปพร้อมกับจิตซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมหรือบุคคลที่ตั้งสติระลึกดูจิตของเราก็จะเห็นว่าจิตก็เราต้องเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเป็นรักเปลี่ยนเป็นชงังเปลี่ยนเป็นเฉยๆนะเปลี่ยนแล้วก็อาจจะเวียงกลับไปในด้านอื่นได้ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งที่มาปรุงแต่งไม่ใช่ตัวจิตเขาเปลี่ยนแปลงเองเช่นว่าความโกรธบังเกิดขึ้นภายในจิตก็ทำให้จิตเวลานั้นมันมีความโกรธเรียกว่าจิตโกรธที่จริงจิตมไม่ได้โกรธเพราะความโกรธมาทำให้จิตมันเปลี่ยนแปลงไปจิตเป็นที่แสดงอาการของความโกรธเท่านั้นเอง คล้ายๆกับความแก่ความเจ็บความตายนะครับ้ท่านสาธุชนทั้งหลายลองสังเกตเวลาเราสวดธรรมวัตรเช้าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ทรงรับสั่งว่าความเกิดความแก่ความตายชาติความเกิดเป็นทุกข์ชะาความแก่เป็นทุกข์ปรนนทความตายเป็นทุกข์พื้นตัวความตายจริงๆมันเป็นนามธรรม ตัวความแก่มันเป็นนามธรรมตัวความเจ็บเองมันก็เป็นนามธรรมแต่มันไปแสดงอาการที่รูปธรรมหมายความว่าไอ้ตัวความแก่เนี่ยเข้าไปถือครองในสิ่งใดก็ตามจะทําให้ความแก่ปรากฏแก่สิ่งเหล น, นั้นความเจ็บเข้าไปถือครองสิ่งใดก็ทําให้สิ่งนั้นมีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตายเข้าไปถือครองสิ่งใดก็ทําให้สิ่งเหล่านั้นตายไปทํานองใกล้ยๆกับสี หรือว่าไฟให้ความว่าสีเหล่านั้นเขาดำในตัวเขาเองแล้วไปทาอะไรก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นดำเช่นสมมติว่าผ้าดำา็จริงจริงไม่ใช่ผ้าดำคือตัวได้ไม่ได้ดำแต่ว่าความดำนั้นมันเกิดขึ้นจากปีสีดำไปทำให้ผ้านั้นดำแต่วถึงจุดหนึ่งบุคคลก็สามารถสารอกสีออกมาให้ได้นั้นคืนสู่สภาพเดิมได้ จิตใ จ, ใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นคือโดยสภาพคนจิตเองที่เป็นผวังกัจิตคือจิตที่สงบอยู่ภายในนั้นก็มีความผ่องแพร่ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ขุดมัวอยู่ตลอดระยะเวลาเราไม่โกรธไม่ริษยาไม่อาฆาตเป็นกัดเคืองอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นก็ขนเป็นประสาทหมดแล้วมันมีบางช่วงบางขณะเท่านั้นเอง ที่จิตถูกสังขารฝ่ายที่เป็นอกุศลเข้าปรุงจิตจิตก็เกิดแปรผันไปในขณะนั้นๆแต่บางขณะจิตเราก็เป็นกุศลจิตเราส ง, งบ ม, มีความเยือกเย็นมีความโปร่งเบาสบายมีปิติประโมดมีความสุขปรากฏอยู่ภายในจิตในขณะนั้นเราก็ไม่เห็นเป็นมารระดับทั่วไปหรือบางทีจิตก็เฉย พอถูกปรุงด้วยเวทนาที่สังขารที่เป็นกลางๆก็เฉยๆไม่ถึงกับหนักไปในทางสุขทางทุกข์เพรา ะ, ะั้นอาการที่เป็นมารมันก็ไม่ปรากฏในฐานทั่วๆไปนะไม่ใช่ฐานที่ละเอียดว่นเมื่อกรดโดยหยาบๆก็คือในกรณีที่จิตถูกปรุงด้วยกิเลส ท, ที่แรงๆมีความร้อนร้อนมีการแผดเผาที่รุนแรงก็กลายเป็นกิเลสสมานไปในจุดนี้ ทินิบิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัรรสรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจ ม, มูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้อนหนอแข็งทางกายในกรณีที่สร้างความไม่สบายใจให้ดูจบัจบจบับจะเห็นว่าเราก็นั่งอย่าเดียวพอดีมองไปเจอคนที่เราไม่ชอบกำลับบงเดินมาจิตใจเปลี่ยนทันที มีความเครียดแค้นมีความรำคาญมีความหงุดหงิดบางครั้งก็อาจจะลุกหนีไปแบบไม่ต้องการจะอยู่ร่วมจะนั่งร่วมจะพบหน้าบุคคล่านั้นเาแสดงว่าวิญญาณในขณะนั้นมันก็มีปัญหาคือกลายเป็นมารขัดขวางตัดรอนความสงบที่ปรากฏอยู่ภายในจิตกอดหน้านั้นให้สูญเสียไปเพราะมารเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราประจุกันอยู่ตลอด ในชีวิตประจำวันของบุคคลเพียงแต่ว่าจะเจอมากหรือเจอน้อยแต่นั้นเองวิธีการปฏิบัติธรรมะที่พระพุทธเจ้าส่งสอนเอาไว้เป็นการปรับพื้นฐานของการครองชีวิตให้ปลอดจากเรื่องเหล่า น, นี้หรือทำยังไงจะมันก็คงเป็นมารอยู่แต่ว่าอย่าให้เพิ่มเชื้อจากข้างนอกมากเกินไป ในการปฏิบัติในส่วนของสมถกรรมฐานที่ท่านเรียกว่าเป็นสัพยะสัพยานั้นก็คือว่าให้จิตใจนั้นได้รู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ให้มีปัญญาสามารถแยกแยะอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นๆันให้ได้อะไรที่เป็นประโยชน์ก็รับไว้อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ก็พยายามบเทาลดละไป ในขณะเดียวกันการเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆการเบ้าผานสมาคมกับบุคคลการเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมบุคคลในแวดล้อมต่างๆก็ดูว่าอย่าให้เป็นการเพิ่มความทุกข์ในชีวิตของตนเองให้มากยิ่งขึ้นเพรานเราเห็นว่าบรรดาที่ข้อที่ทรงแสดงว่าเป็นทางเสื่อมหรือทาง แห่งความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกอาบายามุกก็ตามด้วยการละเมิดศีลทั้งหประการกระทามเปน็นต้นว่อเป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนหมายความว่าไปดึงมารมาหาตัวเองที่จริงมารเรานั้นก็อยู่ใกลกับเราแต่เราก็ดึงมาหาเราใกล้ๆพวกอาบายามุกทั้งหลายที่จริงไม่ได้อยู่ในบ้านเราแต่มาอยู่ข้างนอกต้องเสียเงินเสียทองต้องสูญเสียเวลาที่โอกาสต่างๆไปเป็นอันมากเพื่อ ไปดึงสิ่งเหล่านั้นมาเป็นมารมือทำมาทําลายมาล้างพลานตัวเองและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่ทรงเรียกว่าสัปพายะสัพพายะนั้นก็คือการปรับบุคคลที่แวดล้อมสิ่งที่แวดล้อมและอารมณ์ของตัวเองคือปรับสามตัวแล้วก็มาสิ่งแวดล้อมกับบุคคลที่แวดล้อมแล้วก็ตัวอารมณ์ของบุคคลเองคือถ้าปรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งมันมันช่วยอะไรไม่ได้ เช่นสมมติเราอยู่สภาพแวดล้อมที่ดีอาจจะอยู่ในพระอุโบสถอาจจะอยู่คือที่แวดล้อมดีมากแต่อารมณ์เราไม่ปกติเพราะสิ่งแวดล้อมจะช่วยอะไรไม่ได้อยู่ถ้ำกลางวงศาคนาญาทุกคนมีความรักความเมตตาความเอื้อทอนต่อเราแต่อารมณ์เราผิดปกติไอ้ที่นั้นมันก็ร่าเรารนดุด เ, เ พ, พลิงพ่อรานขึ้นภายในใจเพราะสิ่งภายนอกก็คือสิ่งภายนอกมันเป็นป ใจไม่ใช่ตัวเหตุที่จะช่วยตัวเหตุนั้นก็อยู่ที่ภายในก็คือตัวอารมณ์ใ น, ในกรณีนี้แล้วพระเจ้าทรงสอนในเรื่องเช่นว่าให้ได้อากาศที่สบายให้ได้อาหารที่สบายได้ที่อยู่อาศัยที่สบายให้ได้บุคคลที่เกื้อกูลคือเป็นกาลยานมิตรนี่ก็แสดงว่าเป็นเรื่องปจัจจัยภายนอกที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนเพื่อบรรเทาความรุนแรงของมาน แล้วกบ็บางระดับเราก็ป้องกันมาได้ตอนตนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุอ